บทที่สความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการบริหารเวลาผมนึกถึงคำกล่าวหนึ่งซึ่งกล่าวไว้อย่างคมคายว่าคนไม่ได้เดินสะดุดเข้าไปในความล้มเหลวโดยบังเอิญแต่ความคิดของเขาเองพาเขาไปที่นั่นนั่นหมายความว่าคนจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวขึ้นอยู่กับวิธีที่เขาคิดทัศนคติมุมมองที่เขามีต่อสิ่งต่างๆเรื่องราวต่างๆในชีวิตถ้าเขาคิดมองและทาอย่างถูกต้องถูกทิศ ถูกทางชีวิตของเขาก็จะก้าวเดินไปบนเส้นทางแห่งความสาเร็จแต่ถ้าเขาคิดมองและทำในสิ่งตรงข้ามชีวิตของเขาย่อมคดเคี้ยวเลวี้ยวลดสู่ความล้มเหลวอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จากประสบการณ์ที่ผมได้มีโอกาสพบปะผู้คนมากมายหลากหลายสาขาอาชีพผมพบว่ามีคนจำนวนมากที่มีความเข้าใจผิดหลายประเด็นในเรื่องที่มีความสาคัญยิ่งของชีวิตเรื่องหนึ่ง เป็นเรื่องที่สามารถกำหนดจุดหมายปลายทางของชีวิตได้ว่าจะเป็นสถานีแห่งความสำเร็จหรือเป็นชุมทางแห่งความล้มเหลวนั่นคือเรื่องการบริหารเวลาหรือการบริหารชีวิตเมื่อผมพิจารณาดูผมพบว่าโดยส่วนใหญ่คนมักจะมีความเข้าใจในเรื่องการบริหารเวลาที่บิดเบี้ยวไปในประเด็นต่างๆต่อไปนี้การบริหารเวลาเป็นเรื่องเคร่งเครียดเกินความจาเป็นหลายคนมีปรัชญาเกี่ยวกับความสุขในชีวิตว่า ชีวิตที่มีความสุขคือชีวิตที่สบายๆไม่ต้องเร่งร้อนไม่ต้องทนอยู่ในกรอบของอะไรปล่อยชีวิตให้ล่องไหลไปตามอารมณ์อยากจะทำอะไรเมื่อไหร่ก็ค่อยทำถ้ายังไม่มีอารมณ์ก็พักไว้ก่อนบองคนถึงบอกว่านี่แหละชีวิตของศิลปินแท้ไม่ต้องแขวนชีวิตไว้กับเข็มนาฬิกาไม่ ว, ว่าสั้นหรือยาวคนเหล่านั้นพอ น, นึกถึงคาว่าบริหารเวลาก็เหมือนกับเด็กๆที่นึกถึงยาขมนั่นทีเดียว ความคิดของพวกเขาคือชีวิตจะมีความสุขได้อย่างไรถ้าต้องคอยดูตารางเวลาอยู่ตลอดเวลาว่าช่วงเวลานี้ช่วงเวลานั้นเขาจะอยู่ที่ใดและทำอะไรถ้าเป็นเช่นนั้นชีวิตก็คงจะพร่่งพร้อมอุดมไปได้วยความเครียดเป็นแน่แท้จริงแล้วเขาลืมคิดไปว่าการไม่ตั้งใจบริหารเวลาอย่างดีก็คือการบริหารเวลาอย่างไม่ดีนั่นเองเพราะไม่ว่าเขาจะวางแผนการใช้เวลาในชีวิตหรือไม่ เขาก็ต้องใช้เวลาอยู่ดีความแตกต่างอยู่ที่ผลซึ่งจะเกิดในระยะยาวของชีวิตว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์ความสำเร็จหรือความล้มเหลวถ้าเขาตั้งใจบริหารเวลาบริหารชีวิตอย่างดีผลรวมของชีวิตในระยะยาวย่อมหมายถึงความพึงพอใจและความสำเร็จที่แท้จริงที่ทุกคนปรารถนาแต่ถ้าเขาคิดว่าการบริหารเวลาบริหารชีวิตเป็นเรื่องที่เครง่งเครียดเกินความจาเป็น สู้ปล่อยชีวิตให้ล่องไหลไปตามอารมณ์ตามสายลมแสงแดดก็ดีกว่าท้ายที่สุดเขาจะกลับพบว่าผลรวมของชีวิตในระยะยาวนั้นคือความทุกข์ความเจ็บปวดความล้มเหลวและความเคร่งเครียดอย่างแท้จริงเปรียบได้กับนักเรียนที่รู้วินัยในชีวิตเรียนเป็นเรียนเล่นเป็นเล่นสอบเป็นสอบยอมก้าวหน้าในการศึกษาเล่าเรียนและประสบความสาเร็จในหน้าที่การงานในที่สุด ส่วนนักเรียนที่ไม่รู้จักบังคับควบคุมตนเองวันๆคิดแต่จะหาเรื่องสนุกเล่นจิตใจไม่จดจ่ออยู่กับการเรียนดูเหมือนชีวิตช่วงสั้นๆเต็ไมไปด้วยความสุขสนุกสนานแต่ท้ายที่สุดคือความทุกข์ระทมของชีวิตเพราะเรียนก็ตกซ้ำชั้นอยู่บ่อยๆพื้นฐานความรู้ก็ไม่อื้อ อ, อํานวยให้ก้าวขึ้นสู่ระดับการศึกษาที่สูงขึ้นอาชีพการงานจึงอยู่กับที่ได้แต่นึกเสียดายชีวิตช่วงเวลาที่สูญเปล่าไปในอดีตซึ่งไม่มีทางหวนกลับคืนมาได้อีก ในความเป็นจริงนั้นหากเราบริหารเวลาในชีวิตได้อย่างสมดุลและเหมาะสมชีวิตกลับจะเปลี่ยมล้นด้วยความสุขความพึงพอใจเพราะเราจะมีเวลาให้กับสิ่งสําคัญต่างๆอย่างเพียงพอไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนหย่อนใจความสุขสนุกสนานความรักความสัมพันธ์กับเพื่อนที่มีความหมายกับเราเป็นพิเศษงานอาชีพและงานอดิเรกที่เรารักรวมทั้งความมุ่งหวังในอนาคตของเราด้วยเช่นกัน การบริหารเวลาทำให้ชีวิตไม่เป็นอิสระผมเชื่อว่าทุกคนคงจะเคยได้ยินคากล่าวที่ว่าทำอะไรตามใจคือ่ายแท้คำกล่าวนี้คือสื่อสะท้อนวัฒนธรรมการดาเนินชีวิตของคนไทยโดยทั่วไปว่าคนไทยโดยส่วนใหญ่เป็นคนที่รักอิสระเป็นชีวิตจิตใจไม่ชอบอยู่ใต้กรอบระเบียบใดๆสาหรับบางคนแล้วคติของเขาคือกฎเป็นสิ่งที่มีไวเพื่อละเมิดเสียมากกว่า เมื่อพูดถึงเรื่องการบริหารเวลาบริหารชีวิตหลายคนจึงตอบสนองด้วยการสายหน้าเพราะมองว่าการบริหารเวลาคือโซ่ตรวนขึงขาทําให้ขาดอิสระที่จะทาสิ่งต่างๆได้ตามชอบใจและอาจตั้งคำถามในใจว่าทําไมคนเราต้องยอมเป็นนักโทษของเวลาด้วยในความเป็นจริงหากคิดให้ลึกซึ้งจะพบว่าการบริหารเวลาหรือการบริหารชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยให้ชีวิตได้เป็นอิสระเป็นไทยอย่างแท้จริง นั่นคือเป็นอิสระจากปัญหาอีกมากมายที่จะเกิดขึ้นจากการปล่อยปละละเลยชีวิตให้ล่องลอยไปตามกระแสความปรารถนาของตอนเองเป็นไทยจากภาวะนี้สินท่วมหัวจนเอาตัวแทบไม่รอดเป็นอิสระจากการทมทับของความทุกข์ความล้มเหลวในชีวิตเป็นไทยจากความเคร่งเครียดเพราะการทํางานไม่เสร็จตามเวลามีข้อคิดสําคัญสําหรับคนที่ยึดถืออิสระเกินขอบเขตว่าอิสระภาพนั้นรวมถึงสิทธิในการสร้างความสับสนวุ่นวายในชีวิตของตอนเองด้วย คนที่ทำอะไรตามใจคือไทแท้ย่อมต้องตามแก้ปัญหาความยุ่งเหยิงในชีวิตอย่างไม่สิ้นสุดอิสรภาพแท้นั้นควรจะเป็นไปตามคำกล่าวที่ว่าอิสรภาพไม่ใช่สิทธิที่จะทำอะไรก็ได้ตามใจชอบแต่เป็นเสรีภาพที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องสมควรคนที่ตระหนักและระมัดระวังในการควบคุมตนเองในการใช้เวลาในชีวิตอย่างดีย่อมพาตัวเองให้หลุดพ้นจากความยุ่งยากทั้งมวลได้อย่างเสรี การบริหารเวลาไม่ได้ทําให้เราเป็นนักโทษของเวลาเพราะเรายังคงเป็นเจ้านายเหนือนาฬิกาเหนือชีวิตเหนือตารางเวลาของเราอย่างเต็มบริบูรณ์เรายังคงมีอิสระที่จะปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นใช้เวลาอย่างไรก็ได้ทุกเมื่อตราบเท่าที่สิ่งเหล่านั้นจะนําเราไปถึงจุดหมายแห่งความสุขความสําเร็จในชีวิตและทําให้เราเป็นอิสระจากพัฒนาการของชีวิตอย่างแท้จริง การบริหารเวลาเป็นเรื่องของนักธุรกิจหรือผู้บริหารระดับสูงมีคนจำนวนไม่น้อยรู้สึกว่าคำว่าบริหารเป็นคำที่ดูหรูหราจริงจังเกินกว่าที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนทั่ ว, วไปได้แม้กระทั่งบางคนอาจนึกภาพไปถึงนักธุรกิจในชุดสุดราคาแพงซึ่งนั่งอยู่หลังโต๊ะตัวใหญ่กาลังคุยโทรศัพท์ติดต่อธุรกิจมูลค่าหลายล้านอยู่ก็เป็นได้ เมื่อพูดถึงการบริหารเวลาหลายคนจึงมองว่าเป็นเรื่องของนักธุรกิจผู้บริหารองค์กรระดับสูงที่มีงานและมีพนักงานอยู่ภายใต้การดูแลเป็นจํานวนมากไม่มีส่วนสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเขาซึ่งเป็นเพียงพนักงาน ร, ระดับล่างเป็นพ่อค้าแม่ค้าในกิจการเล็กๆ เ, เป็นแม่บ้านพ่อบ้านนักเรียนนักศึกษาหรือเป็นเพียงแค่ข้าราชาการชั้นผู้น้อยเท่านั้นที่จริงคําว่าบริหารมีความหมายตามพจนานุกรมว่า การดำเนินการการจัดการซึ่งเป็นคำที่มีความหมายง่ายๆเป็นคำที่เข้าใจและแพร่หลายในบริบททั่วๆไปไม่มีใครที่ไม่เคยดำเนินการหรือจัดการบางสิ่งบางอย่างในชีวิตดังนั้นการบริหารเวลาซึ่งมีความหมายว่าการดำเนินการนั้นจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ทุกคนในโลกเพราะทุกคนล้วนเป็นเจ้าของเวลาในชีวิตของตอนเองและแต่ละคนจําเป็นต้องดำเนินการหรือจัดการเกี่ยวกับเวลาในชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่ง ในความเป็นจริงจึงไม่มีคนที่บริหารเวลาและคนที่ไม่บริหารเวลาหรือคนที่จัดการเกี่ยวกับเวลาและคนที่ไม่จัดการเกี่ยวกับเวลามีแต่คนที่บริหารเวลาหรือจัดการเกี่ยวกับเวลาได้อย่างดีหรือไม่ดีเท่านั้นคำถามจึงไม่ได้อยู่ที่ว่าเราควรจะบริหารเวลาหรือจัดการเกี่ยวกับเวลาหรือไม่แต่ควรจะเป็นว่าเราจะบริหารเวลาหรือจัดการเกี่ยวกับเวลาในชีวิตของเราให้ดีได้อย่างไร ไม่ว่าคุณจะเป็นใครขร้าราชการครูพนักงานบริษัทแม่บ้านนักศึกษานักเรียนศิลปินนักร้องนักแสดงข้าราชการบำนาญพ่อค้าแม่ค้าคนหาเช้ากินค่ำคุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงการบริหารเวลาได้มันจะติดตามคุณไปทุกย่างก้าวทุกอิรยิยาบถทุกลมหายใจเข้าออกของชีวิตชีวิตของคุณจะสุขหรือทุกข์ประสบความสําเร็จหรือนอนกอดความล้มเหลว ไม่ขึ้นอยู่กับว่าคุณบริหารเวลาหรือไม่บริหารเวลาเพราะถึงอย่างไรคุณก็ปฏิเสธการบริหารเวลาไม่ได้แต่ทั้งหมดของชีวิตย่อมขึ้นอยู่กับว่าคุณบริหารเวลาบริหารชีวิตอย่างไรหรือกล่าวอีกในหนึ่งว่าคุณจัดการเกี่ยวกับเวลาในชีวิตของคุณได้ดีมากน้อยเพียงไรการบริหารเวลาเป็นเรื่องของคนที่ไม่ค่อยมีเวลาผมเคยได้ยินคนพูดกันทานองนี้ว่า ก็ได้อยู่ว่างๆไม่มีอะไรทำก็เลยแวะมาเยี่ยมที่จริงภา พ, พ ย, ายนตร์เรื่องนี้ผมก็ไม่ค่อยอยากดูเท่าไหร่หรอกแต่ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยมาดูค่าเวลาเล่นๆอยู่เฉยๆไม่มีอะไรทำมาช่วยพิมพ์งานหน่อยดูเหมือนในโลกนี้จะมีคนที่ว่างๆไม่มีอะไรทำอยู่มากจริงๆมีหน้าละโลกนี้ถึงไม่สามารถพัฒนาก้าวไกลได้เร็วและมากได้ไปกว่านี้เพราะมีคนเพียงจำนวนไม่มากนักที่ตระหนักถึงคุณค่าของเวลา และพยายามบริหารเวลาบริหารชีวิตที่มีอยู่อย่างจํากัดให้สามารถสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณประโยชน์ให้กับตนเองและคนรอบข้างตลอดจนถึงสังคมโลกอย่างเต็มที่สุดความคิดและสุดกําลังหลายคนมีทัศนะว่าเวลาชีวิตของเขามีอยู่อย่างเหลื้อเฟือเขาไม่ค่อยมีอะไรทำมากนักในชีวิตเขาเป็นเพียงเด็กนักเรียนนักศึกษาที่มีหน้าที่เรียนอย่างเดียวเขาเป็นพนักงานขายที่มีเวลาว่างมาก เขาไม่จําเป็นต้องเข้าสํานักงานทุกวันขอเป็นครูที่มีชั่วโมงสอนเพียงสิบห้าถึงยี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์เท่านั้นเขาเป็นแม่บ้านที่อยู่กับบ้านทั้งวันทํางานบ้านวันละสองสามชั่วโมงก็เสร็จเขาเป็นพนักงานบริษัทที่ทําบ้างพักบ้างงานในความรับผิดชอบก็เสร็จเรียบร้อยไม่มีปัญหาเขาเป็นพ่อค้าเจ้าของธุรกิจเล็กๆพอปิดร้านเลิกงานแล้วก็โล่งสบายไม่มีอะไรให้ทําอีกต่อไปการบริหารเวลานะเหรอ มีไว้สําหรับคนที่มีงานยุ่งมากๆประเภทเจ้าของกิจการโรงงานใหญ่โตมาหืมาเท่านั้นถ้าคิดให้ดีจะพบว่าการที่คนหนึ่งดูเหมือนมีเวลามากมายจนสามารถใช้ทิ้งใช้ขว้างอย่างไรก็ได้นั้นมีสาเหตุมาจากการที่เขาขาดเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิตจึงขาดแรงจูงใจที่จะบริหารเวลาบริหารชีวิตอย่างดีที่สุดเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายนั้นถ้าหากเขามีเป้าหมายที่ดีและชัดเจนคําว่าว่าง และไม่รู้จะทำอะไรคำว่าค่าเวลาจะหมดไปเพราะเขาจะพยายามวางแผนการใช้เวลาอย่างดีที่สุดและทําทุกอย่างอย่างมีเป้าหมายไม่ใช่ทาเพราะไม่รู้จะทําอะไรที่ดีไปกว่านั้นนักเรียนนักศึกษาก็จะรู้จักจัดเวลาไปออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทบทวนบทเรียนทุกวันฝึกฝนภาษาอังกฤษอย่างขมักขะม้นช่วยงานของพ่อแม่ที่บ้านครูอาจารย์จะใช้เวลาในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมมากขึ้น สร้างสารรค์เทคนิคการสอนใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นพนักงานขายจะใช้เวลาในการบุกเปิดหาลูกค้าใหม่มากขึ้นแทนการดูภาพยนต์ข้าเวลาหรือนั่งมองคนเดินผ่านไปผ่านมาในห้างสรรพสินค้ารวมทั้งจัดหาเวลาศึกษาคอมพิวเตอร์และภาษาจีนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองพ่อค้านักธุรกิจ จะจัดเวลาพูดคุยและทำกิจกรรมร่วมกับภรรยาและลูกๆมากขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรากักความผูกพันในชีวิตครอบครัวรวมถึงอุทิศเวลาส่วนหนึ่งให้กับกิจกรรมสร้างเสริมสังคมต่างๆที่จริงไม่มีใครมีเวลามากหรือน้อยกว่าใครทุกคนมีเวลาเท่าๆกันอยู่ที่แต่ละคนจะใช้เวลาที่มีอยู่ทำสิ่งที่มีคุณค่าต่อตอนเองและผู้อื่น หรือจะนั่งหายใจข้าเวลาทิ้งไปอย่างเลือดเย็นหรือจะใช้เวลาไปกับสิ่งที่ไร้าสาระไร้คุณค่าในชีวิตเท่านั้นเองการบริหารเวลาจําเป็นเฉพาะในการทํางานเท่านั้นเป็นเรื่องแปลกแต่จริงแม้ว่าการทํางานทุกสิ่งรวมถึงการนั่งอยู่เฉยๆต่างก็จะเป็นต้องใช้เวลาแต่เมื่อพูดถึงเรื่องการบริหารเวลาคนจํานวนไม่น้อยกลับนึกถึงแต่เรื่องการทํางานเท่านั้นเช่น จะบริหารเวลายอย่างไรจึงจะสามารถทํางานให้สําเร็จได้ทันเวลาจะบริหารเวลายอย่างไรที่จะสามารถทํางานได้มากที่สุดในเวลาอันจํากัดจะบริหารเวลายอย่างไรจึงจะสามารถดูแลงานทุกอย่างได้อย่างครอบคลุมทัท่วถึงที่สุดแต่ผู้ที่เข้าใจความหมายของการบริหารเวลาอย่างลึกซึ้งจะตระหนักและเข้าใจการบริหารเวลาในการทํางานนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการบริหารเวลาเท่านั้นนอกเหนือจากการทํางานแล้ว ชีวิตเรายังมีองค์ประกอบสำคัญอีกมากที่จำเป็นต้องให้เวลาอย่างสมดุลพอเพียงกับสิ่งเหล่านั้นจึงจะทำให้ชีวิตของเราไปถึงจุดหมายแห่งความสุขความสำเร็จที่แท้จริงผมคิดว่าถ้าหากเราใช้คำว่าบริหารชีวิตแทนก็อาจจะทำให้เราตระหนักและเข้าใจได้มากขึ้นว่าแท้จริงแล้วการบริหารเวลานั้นมีความสำคัญมากเพียงไรดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าเวลาก็คือชีวิตการบริหารเวลาจึงเท่ากับเป็นการบริหารชีวิตอย่างไม่ผิดเพีย้ยน ถ้าเราเข้าใจได้เช่นนี้เราจะไม่เพียงแต่มุ่งเน้นไปที่การบริหารเวลาเพื่อการพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นให้มีผลผลิตและผลประโยชน์มากขึ้นเท่านั้นแต่เราจะมองเข้าไปในชีวิตของเราและถามตัวเองว่าเราได้ให้เวลากับทุกองค์ประกอบสำคัญในชีวิตของเราอย่างสมดุลเพียงพอหรือยังเราได้บริหารเวลาชีวิตของเราให้เกิดคุณค่าและประโยชน์สูงสุดต่อตอนเองและผู้อื่นแล้วหรือยังเหมือนกับที่มีเรื่องเล่า ว, ว่าองค์จักรพรรดิติทุส ผู้สร้างสนามกีฬาโคลอสเซียมในกรุงโรมมักจะตั้งคำถามกับตัวเองเมื่อสิ้นวันว่าพระองค์ได้ทรงใช้เวลาที่มีอยู่ในหนึ่งวันของพระองค์อย่างดีเลิศที่สุดแล้วหรือยังด้วยส่วนตัวแล้วผมมีความคิดว่าคุณค่าความหมายที่แท้จริงของชีวิตมีมากกว่าการทำงานมากกว่าความสุขความพึงพอใจมากกว่าความภาคภูมิใจในความสำเร็จมากกว่าครอบครัวและมากกว่าคนที่เรารัก หากเราบริหารเวลาหรือบริหารชีวิตของเราเพียงเพื่อสิ่งเหล่านี้ชีวิตของเราก็ยังไม่ได้สัมผัสถึงความสุขอิ่มเอิมใจความสําเร็จและคุณค่าความหมายของชีวิตอย่างแท้จริงเลยผมมีปรัชญาการมองชีวิตความสุขและความสําเร็จในชีวิตตามที่ผมเขียนไว้เป็นข้อคิดในหนังสือข้อคิดเพื่อความสําเร็จของผมว่าหากผลประโยชน์สูงสุดจะไม่ใช่เพียงเพื่อตอนเองเท่านั้น แต่ด้วยหัวใจที่เผื่อแผ่ไกลออกไปจากตนเองสู่ครอบครัวสังคมประเทศชาติและมนุษยชาติบุคคลนั้นจะสัมผัส ถ, ถึงความอิ่มเอมใจในความดีงามที่เกิดขึ้นจากความทุ่มเทเสียสละและจะได้รับเสียงสรรเสริญจากคนรอบข้างเป็นมงกุฎผมอยากจะต่อท้าอีกนิดว่าและนั่นย่อมเรียกได้ว่าเป็นความสุขและความสาเร็จที่แท้จริงการบริหารเวลา คือการทำอะไรให้เสร็จในเวลาที่สั้นที่สุดเมื่อพูดถึงการบริหารเวลาในการทํางานหลายคนมักจะเข้าใจผิดว่าการบริหารเวลาที่ดีที่สุดในการทำงานคือการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้เสร็จโดยใช้เวลาที่น้อยที่สุดในบางกรณีหากทำเช่นนั้นก็คงจะเป็นสิ่งดีเช่นการช่วยชีวิตคนป่วยฉุกเฉินหรือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุร้ายแรงที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนที่สุด เพราะเวลาแม้เพียงเสี้ยววินาทีนั้นอาจชีพเป็นชี้ตายได้ทันทีแต่โดยทั่วๆไปแล้วการทําสิ่งหนึ่งหนึ่งให้สําเร็จในเวลาที่สั้นที่สุดไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดเสมอไปเพราะอาจจะเกิดความผิดพลาดขาดตกบกพร่องได้โดยง่ายทําให้งานที่สําเร็จออกมานั้นไม่สําเร็จเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์แท้จริงบางครั้งต้องนํากลัดมาแก้ไขปรับปรุงใหม่ทําให้ยิ่งกินเวลามากขึ้นไปอีก และบางครั้งอาจสร้างความเสียหายอย่างเกินคาดคิดก็เป็นได้เช่นการเร่งสร้างอาคารโรงแรมหรือห้างสปปรรพสินค้าอย่างหามรุ่มหามข้าเพื่อให้ทันกำหนดเวลาเปิดรับเทศกาลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ทางธุรกิจเป็นหลักอาจทําให้เกิดความผิดพลาดหรือละเลยส่วนสําคัญไปได้เช่นไม่ได้ปล่อยให้ปูนแห้งได้ที่หรือลดขนาดของเหล็กโครงสร้างลงเพราะไม่ต้องการเสียเวลารอเหล็กตามขนาดที่ต้องการซึ่งขาดตลาดอยู่ ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยและจัดทำทางหนีไฟยังไม่เรียบร้อยภายหลังจนเกิดโศกนาฏกรรมตึกถลม่มไฟไหมทำให้คนต้องสูญเสียชีวิตเป็นจำนวนมากอย่างที่ไม่ควรจะเป็นการบริหารเวลาในการทำงานที่ดีคือการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดในการทำสิ่งหนึ่งๆให้สำเร็จเรียบร้อยตามเป้าหมายเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพสมบูรณ์ที่สุดภายใต้ความจำกัดของเวลาที่มีอยู่นั้น ดังนั้นในการจะทำสิ่งใดๆเราควรจะมีการตั้งเป้าหมายและขั้นตอนในการทำงานให้ชัดเจนเสียก่อนว่าเราต้องการจะเห็นคุณภาพของงานออกมาเป็นเช่นไรภายใต้งบประมาณและทรัพยากรอันจำกัดและจะต้องจัดสรรเวลาในการศึกษารายละเอียดที่จำเป็นมากน้อยเพียงใดต้องใช้เวลาเท่าใดในการดำเนินการและต้องเผื่อเวลามากน้อยเท่าไรเพื่อการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข หากระวังแผนการบริหารเวลาในการทําตามขั้นตอนต่างๆอย่างสมดุลเหมาะสมและได้ทําตามแผนงานนั้นถึงแม้ว่างานนั้นจะไม่สําเร็จรวดเร็วอย่างที่เราหรือคนอื่นอยากจะให้เป็นแต่มั่นใจได้ว่างานนั้นจะสําเร็จสมบูรณ์เรียบร้อยตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างแน่นอนพึงระลึกเสมอว่าช้าแต่ถูกย่อมดีกว่าเร็วแต่ผิดแต่ถ้าจะให้ดีถูกด้วยเร็วด้วยย่อมดีที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยเลยครับ การใช้เวลาในการวางแผนเป็นเรื่องเสียเวลาไม่ต้องวางแผนหรอกลุยไปเลยถ้ามีปัญหาค่อยๆแก้กันไปหลายคนต้องเสียเวลาอย่างมากมายในการตามแก้ปัญหาซึ่งเกิดจากการไม่ยอมให้เวลากับการวางแผนก่อนดำเนินการสิ่งต่างๆแม้บ้านบางคนต้องกลับไปซื้อของที่ตลาดหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตหลายรอบเพราะลืมซื้อของบางอย่างที่จำเป็น เนื่องจากไม่ได้วางแผนและไม่ได้จดสิ่งของที่ต้องการจะซื้อให้เรียบร้อยก่อนออกจากบ้านนักธุรกิจบางคนต้องเสียเวลากับธุรกิจที่ล้มเหลวเนื่องจากไม่ได้ให้เวลากับการศึกษาลู่ทางและวางแผนการดำเนินการอย่างรอบคอบเพียงพอนักศึกษาหลายคนต้องเสียเวลาในการอ่านหนังสือเพื่อสอบเข้าเรียนคณะใหม่เนื่องจากก่อนหน้านั้นไม่ได้ใช้เวลาสำรวจความสนใจในสาขาวิชาที่ตนอยากเรียนอย่างแท้จริง จากประสบการณ์ส่วนตัวผมพบว่าถ้าเรายอมเสียเวลาส่วนหนึ่งในตอนแรกเพื่อคิดวางแผนให้รอบครอบก่อนจะดำเนินการส่วนใหญ่งานนั้นมักจะราบรื่นไม่มีปัญหาหรือถ้ามีปัญหาก็เป็นปัญหาที่เปลีกย่อยแกได้ไม่ยากนักและมักจะได้ผลงานที่มีคุณภาพตามเป้าหมายที่ต้องการไม่ต้องย้อนกลับไปเริ่มต้นนับนึงใหม่เพราะทำผิดพลาดผิดทิศผิดทาง ผมชอบคาพูดหนึ่งของศัลยแพทย์ชาวฝรั่งเศสผู้มีชื่อเสียงท่านหนึ่งที่กล่าวให้ข้อคิดในเรื่องนี้ได้ดีมากว่าถ้าผมมีเวลาแค่สี่นาทีในการผ่าตัดคนไข้ผมจะใช้เวลาหนึ่งนาทีเพื่อวางแผนการผ่าตัดให้ดีที่สุดและใช้เวลาสามนาทีที่เหลือในการผ่าตัดเราต้องคิดวางแผนให้ดีที่สุดก่อนทําสิ่งใดๆเพราะบางครั้งเราอาจจะไม่มีโอกาสเริ่มต้นเป็นครั้งที่สองก็เป็นได้มีคนนึงกล่าวไว้อย่างน่าคิดว่า ถ้าคุณต้องการประสบความสาเร็จอย่างยิ่งใหญ่จงคิดให้มากถ้าเราคิดน้อยหรือไม่คิดเราอาจจะมีความคิดความเข้าใจในบางเรื่องอย่างไม่ถูกต้องซึ่งสิ่งนั้นอาจจะส่งผลในทางลบต่อเราไปตลอดชีวิตเลยก็ได้ผมหวังว่าสาระในบทนี้คงจะมีส่วนช่วยให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนความคิดความเข้าใจเรื่องการบริหารเวลาได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องความจริงมากขึ้นซึ่งนั่นย่อมหมายถึงความสาเร็จของชีวิต อยู่ในมือของคุณแล้วครึ่งหนึ่ง